อากาศร้อนอารมณ์ก็ร้ายไหม้อนร้อนหงุดหงิดเราภาวนานะเราจะได้ร่มเย็นโลกข้างนอกมันก็ร้อนร้อนนักขึ้นมากขึ้นสังคม่็รุนแรงศาสนาก็ามีปัญหาเยอ ะ, ะเราไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปข้างหน้า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 ที่เรายังมีความสามารถที่จะพัฒนาใจของเราต้องรีบพัฒนาจิตใจของเราให้ได้ในช่วงที่เรายังมีชีวิตอยู่ยังมีความแข็งแรงอยู่ในช่วงที่พระพุทธศาสน า, ายัางดำรงอยู่รอวันที่าศาสนาหายไปแล้วนั้นก็ไม่รู้จะไปภาวนายัางไงหรือเราอยู่ไม่ได้แล้วเราแก่ชรามากคั่นเฟือนไปสติปัญญาลบเลือนไป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 สิกว่าปีนะตั้งแต่บวชมาความจริงสอนมาตั้งแต่เป็นโยมรู้สึกยสมัยที่เป็นโยมก็อยู่ส่วนหนึ่งมีไม่มากตอนเป็นโยมแล้วส่วนหนึ่งก็มาส่วนใหญ่เนี่ยจะมาเรียนกันตอนที่หลวงพ่อบวชแล้วเนี่ยแต่เดิมหาคนรู้สึกตัวสักคนหนึ่งยังยากเลยะเดี๋ยวนี้แค่รู้สึกตัวเนี่ยเรื่องธรรมดามากเลยไม่นับเป็นโหล้วนะนับเป็นกูรุษยังไม่ได้เลยกูรุษย์หนะึ่งสิบสองโหรือ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 เนี่ยหัดรู้หัดดูไปบ่อยๆนะพวกเราเดี๋ยวนี้ทําเป็นเยอะแล้วละเมื่อเราสามารถแยกขันได้เราสามารถเห็นขันสแสดงใจลักไดนะ้โอกาสที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานในชีวิตนี้ก็มีเลยถ้าแยกขันไม่เป็นดูรูปนามสแสดงใจลักไม่เป็นโอกาสจะได้มรรคผลเนี่ยไม่มนะียังไม่มีเลยงั้นถ้าหากพวกเราสามารถแยกขันได้นะเราก็ดูธาตุดูขันล้วทางานของเขาไป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 อยู่ๆจะมานึกวิธีปฏิบัติเอาเองไม่ได้เพระาะวิธีปฏิบัตินี้เป็นปัญญาตรัสรูของพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเราคิดเอาเองไม่ได้ถ้าเราคิดเอาเองเราสําเร็จนะเราก็เป็นสัมมาสัมพุทธาอีกคนหนึงหรือเป็นปัจเจ ก, กพุทธาขึ้นอีกคนนึงซึ่งในยุค น, นี้จะมีไม่ได้ในยุคที่คําสอนของพระสัมมาสัมพุธทธายัางอยู่เนี่ยจะไม่มีพระปัจเจ ก, กเกิดขึ้นจะไม่มีสัมมาสัมพุธทธาองค์ที่สองเกิดขึ้น งั้นใครจะมาอ้างตัวว่าเป็นพุทธเจ้าอย่าไปเชื่อนะถ้าเชื่อเขไม่ใช่ชาวพุทธแล้วล่ะถูกก็หลอกพวกเราคงหน้าตาก็ฉลาดนะคงไม่โดนหลอกหรอกโง่เรื่องอื่นก็ไม่เป็นไรนะอย่าโ ง, ง่ในเรื่องธรรมะที่พุทธเจ้าสอนและศึกษาซะให้ดไีได้ไม่โดนหลอกธรรมะทั้งหลายอนะมันมีรากมีเง่ามาจากตัวโยนิโสมนัสิการนะฝ่ายดีเนี่ย เมือ่อท us. <don> <yeah. S 1> ี่แยบกายในการสังเกตตัวเองเรารู้จักแยบกายในการสังเกตตัวเองเราไม่เคยมีสติทําไงจะมีสตินี่เป็นความแยกายของเราเราไม่เคยมีศีลทําไงจะมีศีลไม่เคยมีสมาธิทําไงจะมีสมาธิไม่เคยมีปัญญาทําไงจะมีปัญญาส่วนวิมุตินั้นเป็นผลปล่อยได้เมื่อศีลสมาธิปัญญาของเราแก่รอบแล้ววิมุต tn เกิดขึ้นเองไม่มีใคร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 ขึ้นช่องนี้แหละถูกแล้วไต่ไตขึ้นไปเอ๊ไม่ใช่อีกแล้วฮนะก็ถอยลงมาใหม่มาเดินรอบเขาไปอีกเดินเดินไปหาช่องทางที่จะขึ้นอีกแล้วว่าภาวนายอย่างไรจะถูกเนี่ยค้นคว้าหาทางที่จะขึ้นเขานะบอกขึ้นไปอีกก็ไม่ใช่อีกลงมาอีกนะเดินไปค้นคว้าต่อไปอีกเส้นทางนี้น่าจะดีเสร็จแล้วก็ไม่ดี ท, ทําทีไรก็ผิดทุกทีแล้วเส้นทางที่ถูกอยู่ที่ตรงไหนค่ะอาจารย์เนี่ยถามหลวงพ่อนะ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 เราไม่ดีเนีย่ยเราคงบอกไปเราไปสํารวจนะจดเอาไว้นะไปจดเอาไว้ว่าถูกหวยกินไปเท่าไหร่ได้มาเท่าไหร่ะแรงจะซื้อหวยมันจะลดลงนะเนี่ยอย่างสมัยเราเล่นหวยแล่นอบายมุกนะถามว่าเราชีวิตจะเจริญได้ไหมมันยากนะยกเว้นมีบุญเก่าให้ผลอย่างร้ายแรงจริงๆอ่ะอยังดูเดือดมากๆจริงๆอ่ะเพราะเรากําลังทํากรรมใหม่คือโลภนะเราทํากรรมใหม่คือโลภ เวลาไปเล่นหวยอยากถูกไหมหรือเล่นด้วยอุเบกขาอุเบกขาไม่มีใครไปเล่นหรอกไม่สนุกเ ห, หมือนจะดูชกมวยใช่ไหมต้องเข้าข้างหนึ่งเฉียรอีกข้างหนึ่งนะต่อต้านอีกข้างหนึ่งมันต้องลําอย่างอย่างนั้นถึงสนุกในโลกอนะ่นะแล้วถ้าเราไปสํารวจดูให้ดีแล้วอะไรที่พุทธเจ้าห้ามแล้วเราทํำนะเราเจริญยากเจริญยากนะถ้าอะไรที่ท่านห้ามแล้วเราก็อย่าทํา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 เดี๋ยวหายไปเราก็ค่อยรู้เดี๋ยวโกรธหงุดหงิกดก็รู้ต่อไปนะพอมันกหงดหงิดเนี่ยไม่เจตนาจะรู้ก็รู้ตรที่ไม่เจตนาจะรู้ก็รู้เนี่ยนี่ว่าสติมันเกิดแล้วสติมันเกิดเองไม่ได้มีโลภะเจตนาไม่ได้เจตนาให้เกิดใจมันจะมีคุณภาพเป็นสติที่มีคุณภาพดังนั้นต้องฝึกนะสติตัวนี้เป็นของสําคัญทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งที่หัดรู้รูปนามรู้รูปธรรมรู้นามธรรมาดีที่สุด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 มโนสัญญาเจตนาความจงใจความจงใจตัวนี้มันจะทำให้จิตสร้างพบจิตจะดิ้นรนจิตจะปลูงแต่งมากขึ้นแต่เบื้องต้นก็ต้องมีไปก่อนแล้วก็หัดทำกรรมฐานนะเบื้องต้นมันก็ต้องจงใจก่อนแต่จนกระทั่งถึงจุดที่มันหมดความจงใจแล้วศีลสมาธิเป็นญยากเกิดอัตโนมัติตรงนี้จิตจะไม่สร้างพพต่อนะ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 อย่างพวกเราบอกอยากบรรลุมรรคผลอยากบรรลุมรรคผลเนี่ยภาวนาก็ไม่เอาอย่าเงี้ยไม่บรรลุหรอกได้แต่อยากนะก็ยังดีกว่าไปอยากชั่วนะเออยากบรรลุมรรคผลก็ยังดีนะแต่ต้องทํานะงั้นทํากรรมฐานสักอย่างหนึง่งแล้วก็คอยรู้ทันอนะแรกถ้าจะฝึกให้เกิดสติก็รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจใหายใจออกรู้สึกให้ใจเข้ารู้สึกยืนเดินนั่งนอนรู้สึกเนี่ยต่อไปสติเกิด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 เริ่มต้นต้องขอศีลก่อนแล้วดูหน้านะถ้าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อจริงๆมันเก็ถือศีลอยู่แล้วไม่ต้องขอหรอกไอ้พวกที่ชอบขอศีล น, นะไม่ค่อยถือศีลหรอกขอเสร็จแล้วก็ทิ้งเลยหะวงพ่อเคยไปเทศที่หนึ่งนะชมรงผู้สูงอายุนี่มาถึงก็ <c oughs> มีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านให้ศีลอยแล้วท่านไปหลวงพ่อเทศต่อพอหลวงพ่อเริ่มเทศตอนที่เขาอารัธนา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 ศีลจริงๆอยู่ที่เจตนา ง, งดเว้นแล้นเราตั้งใจงดเว้นไว้ก่อนแล้วถัดจากนั้นมีสติคุ้มครองใจของเรานะเวลาที่เราจะละเมิดศีลเนี่ยกิเลสต้องมาพอกิเลสมันมาพวกเรารู้ทันมีสติรู้ว่ากิเลสมาเนี่ยถ้าเราปล่อยเราจะผิดศีลแล้วเราตั้งใจจะงดเว้นอยู่แล้วงั้นเราไม่ยอมถ้ากิเลสยังรุนแรงอยู่นะเราก็ไม่ยอมที่จะทําตามมันแต่เรารู้ทันว่ากิเลสเกิด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 ร้านหนสมมุติว่าร้านโชว์หวยสองร้านร้านหนึ่งหวยจริงๆนะขายเข้ามากงได้โกงเลยอะไรเนี้ยกงตาช่างโกงสินค้าเอาของเลวคนของดีเอาเข้าสารคนก้อนกลวดอะไรเงี้ยนะอีร้านหนึ่งโชของดีไม่โชว์หวยนะขายของคุณภาพดีพูดจาดีใครมัจะเข้าร้านไหนไมนะ่มีศีล น, นะแล้วชีวิตเราจะดีขึ้นมันจะเป็นคนที่มีเครดิตมากขึ้นไม่ต้องไปให้ธนาคารรับรองเครดิตเราหรอก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 ตอนนี้เรียกว่าโคจรคือ ท, ที่ท่องเที่ยวไปโคจรเนี่ยจริงๆแปลว่าทางไปของบัวโคแปลว่าบัวนะทางไปของบัวจิตนี้เหมือนบัวเที่ยวไปเรื่อยๆอันเนี้เป็นบัวของอินเดียบัวของอินเดียเขาไม่ค่อยผูกค่อยมัดเหมือนบัวไทยนะบัวไทยคืนไปเดินเที่ยว ห, หายหมดเลยกลายเป็นลูกชิ้นนะวัวแขกแล้วมันเดินไปไหนมันก็ไปของมันโคจรไปเรื่อยจิตของเราเนี้ยชอบโคจรนะ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 นะวัวกาลังหนีออกทางประตูหน้าแล้วรู้ทันบัวจะหนีออกประตูหลังแล้วรู้ทันบัวจะกระโดดหน้าต่างแล้วรู้ทันนะสมมติเราออกได้จิตของเราจะหนีไปทางไหนให้คอยรู้ไว้ไม่ห้ามแต่ให้คอยรู้จิตเนี่ยมีธรรมชาติที่แปลกอย่างหนึ่งถ้ารู้ทันนะไม่กล้าทําชั่วนะถ้ารู้ทันเราจะไม่ทําชั่วธรรมชาติของจิตเป็นอย่างนั้นจิต ท, ที่ทําชั่วได้นะเพราะเราไม่มีสติไปรู้ทันมันนันะ่นเราคอยรู้ทันจิตหนีไปแนละ้ว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 ยิ้มแล้เห็นร่างกายยิ้มเห็นด้วยความรู้สึกนะไม่ต้องส่องกระจกถ้าส่องกระจกเดี๋ยวมันจะไปต่อเขียนคิ้วเขียนตานะเอาแค่เห็นร่างกายยิ้มเห็นร่างกายหัวเราอเห็นร่างกายพยักหน้าะต่อไปก็ขยายไปเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าไม่ได้ดูลมหายใจนะเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าเห็นร่างกายยิ้มก็เห็นทั้งตัวอย่างนี้เห็นมันยิ้มไม่ใช่ไปจ้องอยู่ที่ปากและวปากกระดิกแล้วนี่นี่นีนี่นะนี่นะอย่างที่อย่าไปทำเลย พันะภาวนาไม่ได้เรื่องหรอกมันมันไปเพ่งอยู่เอายิ้มหวานรู้สึกไหมร่างกายมันยิ้มร่างกายกำลังยิ้มรู้สึกไหมเวลาดูร่างกายนะดูลงปัจจุบันเลยนะเพราะจิตเนี่ยรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวจิตที่รู้ร่างกายก็ใช้ร่างกายเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นจิตเนี่ยสามารถรู้ร่างกายที่เป็นปัจจุบันได้นะเอาพยักหน้าเห็นไหมรู้สึกไหมว่าร่างกายพยักหน้า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 เวลาที่จะใช้ปฏิบัติเนี่ยเหลือไม่มากแล้วแต่ละคนบางคนก็ใช้ชีวิตมาหลายสิบปีแล้วเหลือไม่มากแล้วต้องปฏิบัติสถทีนะอ่ะวันนี้สมควรแก่เวลารู้สึกเป็นห่วงลูกหลานกาบนมัสการค่ะหนูส่งกันบ้านเป็นครั้งที่สองค่ะว่าไปเลยช่วงหลังจากส่งกันบ้านครั้งแรกหนูมีความรู้สึกมีความสุขตลอดอ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 พุทธเจ้าไม่ได้มองโลกแค่ไร้ท่านสอนวิธีแก้ด้วยวิธีที่เราอย่าพ้นจากกองทุกงั้นเราอย่าปล่อยให้อารมณ์ครอบใจนะตอนนี้ถูกอารมณ์ครอบงําใจอย่านงะให้รู้ทันถ้ารู้ทันอารมณ์ก็กระเด็นออกไปนะใจก็รู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาแล้วก็รู้สภาวะทั้งหลายต่อไปรู้รูป ร, รู้นามด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางคําว่าเป็นกลางเนี่ยเป็นตัวที่ยากที่สุดอะ mm hmm. ส่วนใหญ่ไม่กลางหรอกงั้นบางคนจะพูด พูดเล่ยๆปฏิบัติเนี่ยเดี๋ยวนี้ดิฉันสักว่ารู้ว่าเห็นโถว่าจะรู้เห็นอะไรไม่มีทางหรอกคําว่าสักว่ารู้ว่าเห็นไม่ใช่ง่ายนะต้องปัญญาแก่รอบจริงๆถึงจะเกิดสักว่ารู้ว่าเห็นได้เนี่ยงตอนเนี้ยเราก็ยังไม่สักว่ารู้ว่าเห็นเราไปรู้ไปเห็นแล้วใจเราเศร้าหมองถูกโทรสะครอบไปดูต่อแู้ในบางครั้งที่หนูเหมือนอจะผิดศีข้อสี่อย่างเนี้ยค่ะอื ในช่วงก่อนหน้านี้หนูจะมีความรู้สึกละอายแต่วา่าตอนนี้หนูแค่คือมองมันเฉยๆใจเรา<ช> <ๆ S 1> ถูกกิเลสครอบงําอยู่นะให้รู้ลงไปสติเราไม่เกิดหรอกใจเราเียงถูกกิเลสครอบงําถูกความเศร้าหมองครอบงําเนี่เป็นโทสะนะเมื่อจิตมีโทสะอยู่จิตนั้นไม่มีกุศลหรอกสติไม่มีหรอกเพราะงั้นดูไม่รู้เรื่องหรอกนะไปรู้ทันเลยโทสะความเศร้าโศกนี่ครอบงําใจอยู่ดูเข้าไป จิตจะหลุดออกมาคราวนี้จะทำผิดสีก็จะละอายใจแล้วะแมน้นจิตไม่ใช่จิตพ่เป็นกุศลไม่กลัวบาปหร ok. อกอนูจะอยู่ในร่องร อ, รอยใช่ไหมคะถ้าไปดูไม่ให้จิตถูกอารมณ์คร่อมงามก็อยู่ในร่องรอยนะกลับไปกลับน้ำมาส่าจัางค่ะหลวงพ่อเวลาหนูพูดม า, าหนูพูดดังนี้เริหลวงพ่อแก่แล้วหูตึง <c oughs> เวลาเวลาธรรมดาเวลาที่อยู่ในชีวิตประจำวันเวลาหนูคุยกับเพื่อนอย่างะะเงออจะมีช่วงที่หนูเหมือนแบบหายไปแบบฟั ง, ฟงเขาไม่รู้เรื่องทั้งที่อยู่ะะใจใจมันหนีโลกมากไปนะใจมันหลบเข้าไปอยู่ข้างในติดสมถะนะเป็นหนีโลกนั้นมันมีฉันท่าหน่อยออกมาอยู่กับโลกนะออกมาเรียนรู้โลกมาดูมีหน้าที่ทำงานล้วสนใจงาน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 ถ้าเราเห็นกายเห็นใจนะแสดงใจรักษอยู่เนี่ยใช้ได้แต่ถ้าเราเหนื่อยเราก็ทําสมถะนะทําสมถะอะไรไม่เป็นก็สวดมนต์ยาวๆหน่อยสวดไปเรื่อยๆสวดเป็นอยู่บทเดียวก็สวดมันบทเดียวสวดเป็นประโยคเดียวก็ประโยคเดียวนะสวดสบายๆใจก็ได้สมถะคือแบบนี้นี่คือทำารฐาถูกแล้วล่ะถูกแล้ ว, ล ว, ลวเห็นไหมว่าขันมันแยกได้นะ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 แต่ถ้ามันไม่เข้าช่วยมันหน่อยนับจิตกลับมารู้สึกในร่างกายนะถึงยังไม่ถึงฐาน 100% แต่ไม่เกินกายออกไปก็ยังใช้ไดนะ้กลับมารู้สึกในร่างกายไป ห, หรือถ้าใช้วิธีอู่ในบะที่หลวงพ่อเคยใชนะ้เราเอาความรู้สึกตัวจับอยู่ที่ลมหายใจนะเราหายใจเข้ามาหายใจเข้ามาความรู้สึกเันจะกลับเข้ามาข้างในแต่นี้ถ้าทําบ่อยๆนะจิตจะแน่นเกินไปไม่ดี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 คือเหมือนบางครั้งมันจะดูเหมือนทื่อๆ แ, แล้วพอว่าเรารู้ว่ามันเหมือนแบบทื่อๆแล้วมันก็ไม่หายแล้วกลับมาดูไกาเลยมาพิจรารณาถ้าจิตไปติดทื่อๆนะให้อาศัยการคิดคิดพิจรารณาร่างกายผมขนเล็บฟันหนังแต่และอย่างเนี่ยไม่เที่ยงอยู่กับเราชั่วคราวอะไรก็ว่าไปนะแก่เท่าสุดโทมอะไรเงี้ยตอนแรกก็แบบนึกว่าไปติดสมาธิหรือติดอะไรหรือเปล่า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 แต่ตัวรู้เที่ยงคงที่เฉยอย่างนี้ไม่เดินปัญญา จ, จริงนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าจิตติดเฉยต้องแกนะมาพิจารณากายมาอะไรเงี้ยหรือบางครั้งเวลาผมติดเฉยผมก็ได้แบบอแถอนหายใจแรงๆได้นะได้ขอบอกครับเออให้จิมนเคยเยื่นไปเท่านั้นแหละนะนะอะไรก็ได้แล้วตอนนี้ผมเริ่มทำแบบแยกกายแยกกายแยกแย ก, แ, แยกสิ ไม่รู้สึกเหรอ ร, รู้สึกเัาแบบกลัวกลัวว่าแบบเหมือนว่าฟังเยอะๆแล้วก็กลายเป็นคิด ไ, ไม่ใช่คิดเอาไม่ได้คิดเร า, เามันไม่เป็นอย่างนี้ครับแล้วผมจะต้องทำอะไรต่อถึงจะเดินปัญญาครั บ, รบก็เดินปัญญาไปดูดูเราแยกขันได้แล้วเนี่ยดูขันมันทำงานไปถ้าเห็นจิตชัดก็ดูจิตดูจิตไม่ชัดก็เห็นกายมันทำงานดูไม่ชัดสักอย่างก็ทำสมถะพุโทโธไปหายใจอะไรก็ได้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 มันแยกอยู่แล้วล่ะมันแยกได้แล้วครับแยกกายแยกแยกคายใจหลังจากฟังเสีดีเนี่ยนะครับคือ่เอากายเป็นตัวแสดงอืมฮะแล้วก็ใจเป็นคนดูเจ้าู่ครับแล้วก็อ่าคายไปยังไงไงไงยงไงใจก็ดูอยู่ตลอดใช่กายนั่งกายยืนกายนอน ดูดูตลอดคือจนก็ะทั้งนอนนะฮะดีก็านอนก็ยังทําอยู่เพราะเรากำลังนอนใช่นะเราแค่ดูแยกกายแยกใจแล้วดูครับก็รู้สึกสบายใจขึ้นนะเขาขออนั้นไดาจะทําสมาธิใช่นะครับการแยกกายแยกใจได้นะมันเป็นคจุดตั้งต้นของการเดินปัญญาครับนะ แายหญพอพอฟังหลวงพ่ออ่าหลวงพ่อพูดถึงเรื่องจิตตลอดฮะอืมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะจิตจิตใจจิตใจอันเดียวกันอันเดียวกันใช่ไหมฮะคือตัวที่เป็นคนรู้ครับบางทีก็ไปรู้ร่างกายบางทีก็ไปรู้ความรู้สึกสุขทุกข์บางทีก็ไปรู้โลภโกรดหลงอะไรก็จิตนั่นแหละเป็นคนรู้ครับของโยมภาวนาดีนะได้แล้วล่ะครับ แล้วตอนนี้ถ้าภาวนาอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วนะฮะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหสีสมาธิปัญญาเราค่อยแก่กล้าไปเรื่อๆยๆโยมภาวนาไปอย่างนี้แหละถูกแล้วครับคือคนซึ่งมีสมาธินะไม่ใช่ว่ามันเสียนะสมาธิเนี่ยถ้าต่อยอดขึ้นเดินปัญญาได้มันจะไปเร็วเพราะรอะไรมันจะรู้ได้ทั้งวันเลยครับในขณะที่พวกที่ไม่มีสมาธิพวกสมาธิสั้นน่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 ถ้าบารมีเต็มแล้วก็จะได้พได้ผลในชีวิตนี้ถ้ายัางพล่องอยู่ก็ถัดไปมันก็จะได้ง่ายไ ป, ไปต่อได้ง่าย ค, คือเห็นอะไรก็อย่างที่หลวงพ่อนะฮะนี่แหละกายกายเห็นเออเอาเอาพี่นิหารสีดีเห็นไหม <laughs> <c oughs> ฟังซีดีนะ โมทนายมให้คนอื่นบ้างน ะ, นะเดี๋ยวไม่ต่างมีโยมมากแล้วอเออแต่สาวนา่ะค่ะน้อมาสักการหลวงพ่อค่ะออว่ามาอ่าคือเกิดเหตุการณ์แปลกๆคือจริงๆเราไม่ได้ไม่ได้ไไดรู้สึกว่าภาวนาอยู่แต่เวลาเกิดโทรศัขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนเห็นตัวเองเนี่ยออกไปพูดไปแล้วตัวนี้เนี่ยเป็นคนดูอยู่ก<อ>็รู้สึกใช้ได้ถือว่าเป็นการปฏิบัติหรือว่าเคาจะเกิดอย่างเงี้ยหลายๆอย่างเวลาแล้วผิดศีลไหม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 โยบไม่ได้มีปัญหาผมผมมีบ้างเล็กน้อยครับอ้าวมีนิดหน่อยเอาว่ามามีมีบ้านเล็กน้อยออย่างที่ว่าอจิตเกิดที่ตาหูสมูกเป็นกายใจอืก็ทีนี้ผมคิดคิดไมออกค่อยากคิดถ้าวันนี้ก็ถามคนหนึ่งก็ยังไม่รู้ว่าว่าจะมาถามหลวงพ่อที่นี่ที่ี่ไปอ่านในหนังสือหลวงพ่อบอก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 เออเคยเคยเป็นนิสิตนักศึกษามาก็ไม่ต้องคิดเมืนก็เลยติดตามมาไม่เอาเราเลิกเป็นนักศึกษาละให้คนอื่นเถอะนะโยมยม่ไดเป็นปัญหาอะไรเลยจยะเดี๋ยวผมขอถามอีกสักครั้งนึงคะับหลวงพ่อผมแยกกายแยกใจได้หรือยังยังถ้าโยมนั่งคิดอยู่เนี่ยมันจะไม่แยกะแต่เวลาโยมรู้สึกอะมันจะแยกแยก มันจะแยกเป็นคราวๆรู้สึกไอมมันจะแยกได้เป็นคราวๆแต่เมื่อไรเราเพลินไปคิดนะมันก็รวมเป็นก้อนเดียวกันอ๋อเป็นคราวมันไม่ได้แยกตลอดไม่ไม่แยกตลอดแล้วการที่จิตตั้งมั่นเนี่ยตั้งมั่นแล้วมันจะตลอดไปไหมฮะไม่ไม่ตั้งบั้นอะไรบ้างไม่ตลอดก็ก็เหมือนกันเกิดดับอีกมันสมาธิเองก็เกิดดับนัดใจที่ตื่นแล้วก็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 การเจริญปัญญาไม่หัดพามันดูบ่อยๆมันก็เสื่อมครับผมขนะอถามหลวงพอ่อสักคนเออที่หลวงพ่อเคยพูดเพาะว่าขณะที่หลวงพ่อกําลังจะรับรับของบัคเกศเนี่ยหลวงพ่อเห็นจิตใต้กายมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับเนี่ยผมจึงอยากให้หลวงพ่อช่วยอธิบายไม่ได้หรอกมันเป็นเรื่องความรู้สึกแล้วนะต้องดูเอาเอง อ, อย่างนี้มันล้ําไปอนะ่ะ ล้แไป่ปัญญาร่ ำ, ำของโยมอ่ะปัญหาหลักเลยนะคือปัญญามันล้มหน้าไปมแล้วต้องเบรกต้องเบรกปัญญาไหมครัให้รู้ทันว่าใจฟุ้งซ่านดูอย่างนี้เลยนะโ<อ>ยมอย่าไปเรียกมันว่าปัญญาถ้าเราเรียกว่าปัญญาเราจะภูมิใจเราเปลี่ยนชื่อมันใหม่เป็นความฟาุ้งซ่านแล้วฟุ้งซ่านอีกแล้วจะคิดธรรมะเนี่ยถ้าอย่างนี้แล้วมันจะเลิกเลยแล้วไาอา้แล้วไอ้การที่ผมเรียกตัวเองว่าก้อนธาตุนี้อะไรเนี่ย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 ก็หมายว่าเราไม่ต้องเดินกลับไปกลับมาก็ได้เดินโยมนี่เดินตลอ ด, ดทางรื่องความรู้สึกตัวรู้สึกตัวว่าอันนี้เอขวาก้าวขว า, ขวาไ ม, ไม่ไม่ไม่อย่างนั้นเดินอย่างสมถะเดินรู้สึกตัวเราเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูรู้สึกไปร่างกายมันเดินนะไม่ใช่เราเดินหรอกไม่ใช่คิดนะเป็นความรู้สึกนะเห็นไหมโยมปัญญาล้ําหน้าล้ําไปหลายเรื่องแนละ้วให้คนอื่นเขาบ้างเขาไปเดี๋ยวคนข้างๆเขาจะบ่อมเมาเนะ <laughs> ถ้าท า, างตากว้างๆแล้วพวกที่อยู่ข้างๆนุ้งสวัสดีค่ะหลวงพ่อมากไปคือได้ฟังซีดีหลวงพ่อประมาณเก้าเดือนแล้วค่ะแล้วก็เคยแบบ น, นี้ตื่นเต้นปึ้งที่ได้เจอหลพ่อค่ะแล้วก็อยากให้หลวงพ่ออบรมสอนสั่ง <c oughs> ให้อบรมเหรออย่าทำความชั่วจงทำความดีอย่าทจิตให้ฝ่งแพร่ <c oughs> <c oughs> มีสติไปนะคะมีสติไปอะไรเกิดขึ้นในจิตในใจรู้ไปเรื่อยๆนะะแล้วเวลาเราดูกายก็ดูเหมือนเห็นเป็นเปลือกเป็นโพงเป็นถ้ะเป็นสิ่งที่จิตมาอาศัยอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวะเนี่ยดูไปเรื่อยนะของโยมถ้าดูกายแล้วจิตมันจะสลดนะจะสลดได้เร็วตแต่วันนี้รู้แต่ว่าเอจากที่ฟังสีดีหลวงพ่อเนี่ยจะรู้ว่าตัวเองฟงุ<อ>้งซ่านมีควางฟุ้งซ่านเยอะมี มุดหีดง่ายออโอ้โหนั่นแหละอนี้ความรู้สึกนั้นเกิดขึ้นเรารู้ทันจิตนนี้ตนนี้พอรู้ทันแล้วค่ะมันก็มันก็จะตัดใช่ได้นามส ก, การหลวงพ่อครับผมเพิ่งได้ฟังของหลวงพ่อมาประมาณสองสามอาทิตย์ครับก็ก่อนหน้านี้ก็ปฏิบัติได้ไปบวชมาแล้วก็เลยได้ไปปฏิบัติพองยุบก็คือว่าก็คือจะตามว่าอาการไหน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 นั่นแหละมันลดลงมันมั น, มนมเขี่ยมเกลี่ยมกับทั่งกับตัวเองนะนั่นจเจริญเมตตาไปเมตตาคุณากรหังเมตตาบริกรรมเล่นๆไปนะพอใจมันคลายตัวออกมีความสุขมันคลายตัวออกนะสมาธิมันก็จะเกิดขึ้นส่วนศีลนั่นนะนะ่ะถือศีลห้ายืนพื้นไว้ศีลแปดถือตามโอกาสเป็นคราว่าถือศีลแปดตลอดทำลาบากไม่ได้ทำศี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 ยถาวาริวหาปุราปิริปุเรนตีสาครังเอวเมวัยโตทินังเปตานังอุปกำปติยิชิตังปติตังทุมหังคิปะเมวาสมิจตุสภเพปุเรนตุสังกปาฉันโทปันรโสยถามณีโชติรโสยถาสัภิตโยวิวัชชนตุสภโรโควินาสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีที่กายโกภวะ อาภิวาทนาสีลิสนิจจังบุทาปจายโน่ชัตตาโรธรมาวัทันตีอายุวันโนสุ ข, ขังพระลังสาธุภาวนานะอดทนเข้า